มงคลที่ยี่สิบท่านใช้คําว่าสํารวมจากการดื่มน้ําเมาแทนที่จะบอกงดเว้นน้ําเมาท่านไม่ได้ใช้อย่างนั้นท่านใช้คําว่าสํารวมจากการดื่มน้ําเมาเป็นมงคลที่ยี่สิบย้อนทวนต้นสักหน่อยหนึ่งมงคลที่หนึ่งถึงสิบแปดเป็นเรื่องของการปรับปรุงชีวิต เป็นเรื่องของการตั้งฐานะบังเป็นเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองมั่งพอปรับปรุงตัวเองในด้านฐานะดั้นทำมาหากินอะไรต่างๆนาน า, น า, นาเรียบร้อยแล้วก็เริ่มขึ้นสู่ธรรมะเบื้องสูงกันและวะมาปรับปรุงจิตใจกันในเรื่องการปรับปรุงจิตใจนี่ เป็นเรื่องตั้งแต่มงคลที่สิบเก้าเนี่ยเป็นต้นมาตั้งแต่มงคลที่แล้วตลอดไปจนกระทั่งจบนี่เป็นเรื่องของการปรับปรุงจิตใจทางนั้นเลยก็ในการเทศในการยกตัวอย่างนับวันจะยากยิ่งขึ้นก็ถ้าเออขั้นไหนตอนไหนเกิดตามไม่ค่อยจะทันหรือไม่ค่อยเข้าใจนักแล้วก็ อย่าเพิ่งไปโทษตัวเองว่าเออเรานี่มันบุญน้อยไม่ใช่มันเป็นเรื่องว่าธรรมะยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับมันก็ก็มีความยากอยู่ไปตามลำดับเหมือนกันเมื่อไม่เข้าใจก็หมั่นฟังฟังแล้วยังไม่เข้าใจอีกก็หมั่นตรองตรองแล้วไม่เข้าใจอีกไปนั่งสมาธิเยอะๆให้ใจมันใสแล้วมันก็จะตามทันเองและปีนี้ไม่ทนันปีหน้ามันก็คงจะทนันนะ อาทีนี้วันนี้สำรวมจากการดื่มน้ำเมาก่อนจะจะเทศเรื่องนี้นี่ลองมาฟังนิทานสักเรื่องหนึ่งก่อนนิทานเรื่องนี้นอกนอกตำรับตาราได้ยินเล่ากันต่อๆมาแต่ว่าเห็นเป็นนิทานที่ดีพอจะเอามาเป็นข้อคิดกันได้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟัง มีเรื่องเล่าว่าอย่างนี้มีขโมยอยู่คนเราไปลักของเขาเราก็ถูกจับได้ถูกจับได้ก็เลยถูกส่งขึ้นศาลต่อไปอีกทีศาลก็พิพากษามาเลยว่าในฐานะที่เจ้าใช้มือขวาเนี่ยไปขโมยของเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องตัดนิ้วเจ้าทิ้งไป ทีน่นี้สารลืมไปลืมไปว่าเออให้ให้ตัดนิ้วไหนบอกแต่ว่าต้องตัดนิ้วทิง้งคนที่ทำหน้าที่เป็นคนตัดนิ้วบังเอิญมันเป็นเพื่อนกับไอ้เจ้าขโมยนั่นแหละในฐานะเป็นเพื่อนกันก็เลยให้ความปราณีเป็นพิเศษว่าเอาละ เออไหนไหนจะต้องตัดนิ้วแล้วแต่ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยจะให้ตัดนิ้วไหนก็บอกมาก่อนแล้วกันเอาเธอจะเลือกตัดให้ตามใจเจ้าแต่ว่ายังไงต้องตัดแน่เราก็เลยตั้งปัญหากันขึ้นมาอย่างนี้ว่าถ้าตัดหนึ่งนิ้วเนี่ยถ้าสารให้ตัดเพียงหนึ่งนิ้วนี่ต้องมือขวาเด้ยนะมือซ้ายไม่เกี่ยวพอมไปขโมยเขามือขวานี่ ถ้าตัดหนึ่งนิ้วเนี่ยจะอนุญาตให้ตัดนิ้วไหนเนี่ยเป็นเราก็เห็นถ้าอ้างนิ้วก้อยไว้ก่อนก็แล้วกันนะคือมันเล็กหน่อยถ้าตัดสองนิ้วล่ะอืนิ้วก้อยกับนิ้วนางไปไดากับแล้วกันเหลือว่าอีกสามนิ้วถ้าตัดสามนิ้วล่ะเอ้านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางไปเหอะ ท่านนี้ก็ถึงปัญหาสุดท้ายถ้าตัดสี่นิ้วล่ะจะเอานิ้วไหนไว้เออลองคิดที่จะเอานิ้วไหนไว้คุณจะเอานิ้วไหนไว้เออเอาละสิตัดสี่นิ้วรวดเลยจะเอาจะเอาไว้นิ้วเดียวจะเอานิ้วชี้แล้วจะเอานิ้วหัวแม่มือไว้ ใครจะเอานิ้วชี้ไว้มั้งช่วยยกมือให้ดูหน่อยสิเออหลายคนเหมือนกันใครจะเอาหัวแม่มือไว้เออคะแนนพอๆกันเอาฟังให้ดีก็ต้องมาดูกันว่าเออระหว่างนิ้วชี้กับหัวแม่มือนี่อันไหนบทบาทมันมากกว่ากันบางคนบอกว่านิ้วชี้สิมากกว่า จะเอาอะไรก็ชี้ชี้ชชีชีไปเอ อ, เอก็มีเหตุผลดีทําอะไรไม่ได้ก็ขอชี้ชี้ชีชี้ไปก่อนละเข้าท่าดิเหมือนกันไอ้อีกบางอีกคนบอกว่าหัวแม่มือสําคัญ <c oughs> จะโกรธใครจะได้ยกหัวแม่มือ <c oughs> เอาก็เข้าท่าเหมือนกันแต่โดยเนื้อแท้แล้วลองดูอย่างนี้เวลาจะหยิบของอะไรเนี่ยนะ ถ้าหยิบนิ้วชี er ้กับหัวแม่มือพอหยิบได้นิ้วกลางกับหัวแม่มือพอหยิบได้นิ้วนางกับหัวแม่มือหยิบได้นิ้วก้อยกับหัวแม่มือหยิบได้แต่ว่านิ้วอื่นเนี่ยนะให้ไปหยิบอะไรคูเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาหยิบหยิบไม่ได้อย่างมากได้แค่ขีบนิ้วอื่นได้แค่ขีบ์ะถ้าจะหยิบแล้วก็ต้องเอามันรวบไว้กับหัวแม่มือ ตกลงหัวแม่มือนี่เป็นองค์ประกอบใหญ่เวลาหยิบเวลาอะไรเป็ดกับไก่เสียท่าขังก่อตรงนี้ไก่มันเกาะคอนได้เพราะมันมีหัวแม่มือเป็ดมันไม่มีหัวแม่มือหรอกหนาซ้ำเอ่อเท้ามันยังเป็นพืชซะอีกเพราะฉะนั้นเป็ดนี่เกาะคอนไม่ได้ได้อย่างดีก็ไปไว่ายน้านกบางชนิดไม่มีหัวแม่มือ เพราะฉะนั้นเกาะกิ่งไม้ไม่ได้ได้แต่วิ่งได้แต่เดินไปตลอดชาติแต่เกาะกิ่งไม้ไม่ได้เพราะขาดหัวแม่มือที่นี้จากนิทานเรื่องนี้เองมันตลบกลับมาหาธรรมะตรงทิวะอ่ะนิดหนึ่งเจ้าหัวแม่มือเนี่ยทำไมต้องเอาไว้เพราะว่าหนึ่ง เวลาใช้งานเจ้าหัวแม่มือเนี่ยใช้มากที่สุดใช้มากโดยเฉพาะจะหยิบจะแบกจะหามอะไรแล้วหัวแม่มือนี่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งมีเรื่องเกิดทางประเทศอาหรับเนี่ยประเทศไหนจําไม่ได้แต่โบราณแล้วเออแม่ทัพสองคนความจริงก็เป็นญาติด้วยกันทั้งคู่แม่ทัพสองคนเนี่ยเป็นญาติกันเกิดชิงบัลลังกันขึ้นมา ฝ่ายชนะไอจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามที่มันก็เป็นญาติกันนะแต่เอาไว้หรือก็ไม่ไว้ใจเดี๋ยวมันกลับมาเล่นงานเื่อไห่ก็ได้ก็บอกเอาละจะเอาชีวิตเจ้าไว้แต่ว่าอย่างไงก็ตามนะเอาชีวิตเจ้าไว้ในฐานะที่เป็นเชื้อเป็นสายเลือดเดียวกันแต่ยังไงก็ตามเจ้ามีความผิดก็ ขอหัวแม่มือทิ้งแค ก, ก็และกันห้ามหัวแม่มือทิ้งหมดกองทัพฝ่ายตรงข้ามมีเท่าไรเท่าไหร่ตัดหัวแม่มือทิ้งหมดเลยไม่ได้เอาไว้เลยทําไมทําอย่างนั้นล่ะโถนักรบตัดหัวแม่มือทิ้งซะแล้วจะไปจับดาบจับหอกจับงา้าจับไม่ได้ชาตินี้ได้แต่ยอมแพ้ตลอดชีวิต หัวแม่มือสำคัญอย่างเนี้ยนะด้ในเชิงของการแพทกล้ามเนื้อพวกเส้นเอ็นที่หัวนิ้วหัวแม่มือนี่แล้วมันมีมากกัเขาถ้าไปตัดทิ้งซะละก็เลือดอาบทีเดียวแล้วเวลาในการทำนิ้วเทียมไอ้สีนิ้วนะตั้งแต่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนี่ทำนิ้วเทียมพอได้ง่ายแต่หัวแม่มือนี่ทำยากใจขาดเลยเพราะมันหมุนได้รอบตัว นิ้วอื่นๆแล้วก็มันหมุนได้ไม่รอบตัวหรอกมันได้จะยกขึ้นยกลงแต่หัวแม่มือนี่รอบตัวมันหมุนได้เพราะฉะนั้นนิ้วหัวแม่มือสำคัญในแง่ของธรรมะก็เหมือนกันศีนข้อที่หนึ่งขาดแล้วก็ขาดเลยศีนข้อที่สองขาดแล้วขลําพังลําพังของมันนั่นแหละศีนข้อที่สามเจ้าชู้ ขาดแล้วก็มักจะขาดข้อมันนั่นแหละอย่างมากอาจจะมาเติมศีลข้อที่สี่เข้าหน่อยเพราะว่าจะเจ้าชู้ได้มันต้องโอหกหรือศีลข้อที่สี่ถ้าขาดแล้วก็มักขาดตามลำพังแต่เจ้ากรรมจริงๆศีลข้อที่ห้าถ้าขาดเมื่อไรแล้วก็ดึงข้ออื่นขาดตามรุดราดไปหมดเลยไปกินเหล้าเข้ากินเหล้าแล้วก็เล่าเรื่องอืมยิ่งเล่าเรื่องแล้วก็ยิ่งเปลืองเหล้า กินเหล้าเข้าไปแล้วก็ข้อที่ห้าขาดเพราะข้อที่ห้าขาดแล้วเดี๋ยวเอาแล้วเล่าเรื่องแล้วโม้แล้วโกหกแล้วไอ้ไหนมีเชื้อเจ้าชู้เชื้อเจ้าชู้ก็ออกอีกตอนนี้เองสิ่งข้อที่สามเลยขาดไปอีกใครขี้ขโมยกินเหล้าเข้าไปแล้วยิงงวดนี้ขโมยได้ถนัดมือใครเจ้าโทสะกินเหล้าเข้าไปงวดนี้ถนัดนักเดี๋ยวก็ตีเขาได้สบายเหล้า จะเป็นตัวประกอบที่ทําให้ศีลอีกสี่ข้อเนี่ยขาดประจุยไปหมดเหมือนอย่างกระหัวแม่มือจะเป็นองค์ประกอบให้นิ้วชี้ก็หยิบได้นิ้วกลางก็หยิบได้นิ้วนางก็หยิบได้นิ้วก้อยก็หยิบได้ถ้าขาดนิ้วหัวแม่มือแล้วหยิบอะไรไม่ได้ยังมากได้แต่ขีบใช้งานในลําพังลําพังศีลข้อที่ห้าเหมือนกันสุราเนี่ย ขาดไปเมื่อไหรแล้วก็ดึงข้ออื่นขาตามไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นข้อที่ต้องระวังมากที่สุดโบราณเวลาเราจะส่งลูกส่งลูกลูกหลานล้า น, ล, านลูกจะมากราบขออนุญาตคุณพ่อผมจะไปเล่าเรียนเขียนอ่านที่ตักกศิลาจะไปเล่าเรียนเขียนอ่านที่ในสำนักนั้นสำนักนี้ โอวาทที่พ่อแม่มักจะให้กันเหมือนๆกันมีอยู่ข้อนะ่ะลูกเอ้ยจะไปยังไงก็ เ, เอาเถอะแต่พ่อขอไว้อย่างหนึ่งนะว่าอย่าไปกินเหล้าเลยไอ้อย่างอื่นพ่อก็เออ่ไม่อยากจะเข้มง ว, วดขวดขันอะไรนะักหรอกเจ้าก็แก้ไขาตามสถานการณ์แต่ว่าเ อ, อข้อที่ห้าละพ่อขอเถอะตลอดชีวิตนี้อย่าได้ไปกินมันเลย ถ้าเจ้าไปกินท่านรู้ว่าเจ้ากินเหล้าเมาาื่อไหพ่อคงนอนตาไม่หลับโดยทั่วทั่วไปโบราณจะให้อวาดลูกแลก้วก็หลังจากให้อวาดเรื่องอื่นๆเรียบร้อยแล้วที่จะเว้นใชไม่ได้คือข้อที่ห้านี่เองไม่ให้ดื่มเหล้าที่นี้คนเราเนี่ยจะเลวจะซามยังไงก็าตาม ถ้ายังไม่กินเหล้าเนี่ยโอกาสที่มันจะคิดกลับเนื้อกลับตัวได้มันมีอยู่ยกตัวอย่างไอ้คนเจ้าโทโสโมโหชอบตีชอบต่อยชอบฆ่าชอบแกงนั่นไปตามฤทธิ์หนุ่มของมันพออายุมากข้สักหน่อยหนึ่งก็จะเริ่มได้คิดแล้วมันก็เลิกเป็นคนเจ้าโทสะเออเลิกปานาธิบาตไปเองไอ้เจ้าขโมย ขโมยไปนักเข้านักเข้าว่าขโมยมันตั้งแต่ยังนุ่มเชื่ อ, อพออายุมากเข้ามากเข้ามันชักจะได้คิดนั่นหลัจะขโมยกันไปโดนตายทุกอ ว, วะนี่ไม่ไหวแล้วอายุขนาดนี้จะไปขโมยเข้าเลิกเถอะมันจะมีโอกาสได้คิดพวกเจ้าชู้ก็เหมือนกันเจ้าชู้ไปเจ้าชู้ไปถึงจุดหนึ่งเข้าเออเราก็อายุมากนะ มาทําเจ้าชู้เป็นไอเจ้าเถ่าหัวงูให้เด็กรุ่นหลังมันดูถูกเอายาเลยเลิกเถอะเอา้าโกหกมันก็เยอะแล้วพอถึงจุดหนึ่งเข้ามันก็จะเลิกได้แต่ว่าถ้าคนเหล่านี้ยังกินเหล้าอยู่แล้วก็เลิกไม่ได้คิดจะเลิกหรอกแต่พอไปเมาเขาแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับรอยเดิมที่เคยเป็นคนเจ้าโทโสโมโหมาเท่าไหร่ คิดจะเลิกจะเลิกกินเหล้าเข้าไปเลิกไม่ได้ซะอีกแล้วมันกลับรอยเดิมเคยขโมยมาเท่าไหรเท่าไหรเอ๊ะแก่แล้วเลิกเขาจะพอกินเหล้าเข้าไปแล้วยาเสพติดเข้าไปแล้วเลิกไม่ได้มันย้อนรอยเดิมไอเจ้าชู้ก็เหมือนกันไอโกหกไอขี้โม้เหมือนกันกินเหล้าแล้วมันจะย้อนกลับรอยเดิมแก้ไม่ตกทีนี้ในศีลห้าข้อเนี่ยจากตัวอย่าง นิทานที่ยกมันนี่จะเห็นว่ามันหนักที่สุดก็ไอ้เจ้าข้อที่ห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดว่าผมอะไรอะไรก็สินกี่ข้อกี่ข้อก็ถือได้แล้วยกเว้นข้อที่ห้าอย่าไปเชื่อมันถ้ายกเว้นข้อที่ห้าอย่าไปเชื่อมันแสดงว่ามันพร้อมที่ทุกข้อจะขาดหมดไม่อา้าวใช่ไม่ได้หรอก นีโบราณยกข้อคิดเอาไว้อย่างนี้ที่นี้เราก็เลยต้องเอามันดูกันก่อนอื่นเรามาดูซิว่าใจเนี่ยเอ่อก่อนอื่นดูซิว่าเหล้าเนี่ยมาทําอะไรให้เราเหล้าโดยจริงๆกินเข้าไปแล้วถึงแม้วันจะเป็นไม่ได้ขโมยใครกินละเงินทองของเราแล้วเงินทองของเราก็เหลือเฟือจริงๆเหมือนกันเราเก็บซื้อเหล้ามากินเองมันไม่น่าจะผิด แล้วมีคนเขาซื้อเหล้ามาฝากปีใหม่ซื้อเหล้ามาคนโน้นเอามาฝากลูกน้องก็เอามาฝากลูกพี่ก็มาเอ า, เอามาฝากที่บ้านละเต็มตู้เชียวไอถ้ากินแล้วเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนี่เป็นการรักษาน้ําใจเขานะเขาอุตส่าห์เอามาฝากเออไม่ได้ย่ารักษาน้ําใจวิธีนี้ไม่เอาเพราะว่าขืนกินเข้าไปเข้า เรื่องร้ายๆต่างๆางางมันจะไหลหเข้ามาหาตัวเราเองท่านบอกว่าวิบัติมันจะไหลหเข้าตัวเพราะว่าไอจอมนี่กินเข้าไปแล้วแล้วก็มันทาให้ใจของเราเนี่ยเออมันวิปริตไปคือตามธรรมดาใจของคนเราเนี่ยถ้าเป็นใจที่ยังไม่ได้ฝึกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกไปแล้วว่าคนที่ใจเขายังไม่ได้ฝึกมาอย่างดีแล้วก็ มันมีลักษณะเสียๆอยู่ถึงสี่อย่างด้วยกันคืออันที่หนึ่งมันชอบดิ้นรนดิ้นรนเมื่อไรล่ะแล้วดิ้นรนเหมือนอย่างกับปลาที่ที่โยนขึ้นมาบนบกปลาเนี่ยนะมันคุ้นอยู่กับน้ำใครไปจับมันโยนขึ้นมาบนบกเถอะมันดิ้นดิ้นตายเลยดิ้นจนกว่ามันจะลงน้ำไปได้นั่นแหละยังลงไม่ถึงน้ำมันก็ดิ้นอยู่นั่นแหละ ใจก็เหมือนกันใจคนที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยมันคุ้นอยู่กับไอ้เรื่องไม่ดีอยู่เยอะคุ้นกับไอ้เรื่องเอตีรันฟันแทงคุ้นกับโทสะอยู่คุ้นกับเอความโลภอยู่มั่งคุ้นกับความเจ้าชู้มั่งคุณอยู่กับโลกไอ้พูดเพ้อเจ้อพูดโกหกชอบพูดนินทามั่มันคุ้นอยู่อย่างนี้ เมื่อมันคุ้นอยู่อย่างนี้เนี่ยพอเราจะไปพากจากจากไอสิ่งเหล่านี้ครับโอ๊ยมันดิ้นมันดิ้นใจขาดเหมือนกับปลานะ่ะมันชอบดิ้นรนอันที่สองมันกลับกรอกด้วยนะใจคนนะ่ะเดี๋ยวคิดอเมื่อเช้านะ่ะคิดอย่างพอสายสายอ้คิดอีกอย่าง ตกเย็นคิดไปอย่างแล้วจะเข้านอนคิดไปอย่างอีกมันก็กลับกรอกกันไปอย่างเงี้ยไปฟังเพลงดูเถอะเออ ก, เกี่เพลงกี่เพลงก็ผู้ชายก็ว่าผู้หญิงกลับกรอกไอ้ผู้หญิงก็ว่าผู้ชายกลับกรอกเฮ่อมันทั้งกลับทั้งกรอกด้วยกันทั้งคู่แหละไม่มีใครดีหรอกถ้าลักษณะของใจอันที่หนึ่งยินรนอันที่สองกลับกรอกว่าจะเอาอยังงี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอย่างงน้น มันเป็นของมันธรรมชาติเลยอันที่สามรักษาให้คงที่ก็ยากเมื่อเช้านี้นั่งสมาธิกันนะเออรู้ดีด้วยตัวเองแล้วนี่อุตสาหนะประคองตั้งไว้ศูนย์กลางกายสัมมาอารหังสัมมาอารหังพอรู้ตัวอีกทีนูน่นไปบ้านซะแล้วไปมไเมื่อไหร่ไม่รู้สัมมาอารหังรู้ตัวอีกทีนูน่นไปโรงเรียนซะแล้วไปโรงหนังซะแล้วเออมันเป็นอย่า ง, งนไงละ่ะ รักษาเอาไว้ก็ยากอันที่สี่อันที่สี่ข่มก็ยากเวลามันพลุ่งพล่านเรื่องอะไรขึ้นมาก็าตามเถอแม้จะข่มให้มันสงบลงไปนี่อืมหืมมันยากแท้จริงจริงจะยากจกนกระทั่งว่าถ้าจับตัวมันมาได้แล้วก็จะสร้างอนุสาวรีย์ให้มัน ถมันดื้อจริงๆเลยไอ้ตัวตัวเนี้ยเออนี่มันเป็นอย่างนี้ลักษณะของใจคนนะก็ที่ยังไม่ได้ฝึกอันที่หนึ่งชอบดิ้นรนอันที่สองชอบปรับปรับกรอกอันที่สามรักษาให้คงที่ก็กยากแล้วก็อันที่สี่คมให้มันสงบตรงไปนี้ก็ยากแสนจะเข็นไอ้ความยากเหล่าเนี้ยไอ้ความไม่ดีเหล่าเนี้ย โดนเล้ากระตุ้นเมื่อไรแล้วก็มันอรารวาดได้เต็มที่มานั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาอามาศึกษาอามาศึกษากันแล้วว่าเออไอเจ้าเล่าเนี่ยมันไม่ดียังไงมาทำให้เกิดความเสียหายยังไงเละเออก่อนอื่นลองศึกษาพุทธพจน์บทนี้สะก่อน พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสเอาไว้ว่าอย่างนี้คนเราเนี่ยนะแม้มันไม่สูบบุหรี่แม้มันไม่กินเหล้าหรือมันไม่ได้เสพยาเสพติดนี่แหละแต่ว่ามันยังเมาอยู่เมาในเรื่องสามเรื่องเลยกันคือเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวของมันเมื่อไหรก็ฉันยังหนุ่มอยู่โอย้ยังเที่ยวได้อีกสบายฉันยังสวยอยู่อุย้ยไอ้หนุ่มยังตามองตากลับเลยล่ะอีก น, นั่น เมาในความเป็นหนุ่มเมาในความเป็นสาวนี่อันหนึง่งอันที่สองเมาในความมีสุขภาพดีนึกความไม่มีโรคของตัวเองคนที่ไม่มีโรคนี่ก็คิดอยู่เสมอเร ว, วะ่ะถ้าเรามาคงจะแข็งแรงอย่างนี้เรื่อยไปนะนี่เป็นความเมาอีกอันอันที่สามเมาในความเริ่มมีชีวิตอยู่คือคิดว่าเฮ้ยเราจะคงมไม่ตายง่ายๆอ่ะคนอย่างเราโรงพยาบาลยังไม่อยากได้ละ กลัวเราจะไปอารวาฮะนึกไปเข้าข้างตัวเองซะอย่างนั้นเมาอยู่อย่างนี้แหละทุกค่าทุกคืนไม่ว่าใครแม้ที่สุดอายุมากๆแล้วนะ่ะห้าสิบหกสิบแล้วบางคนก็ยังเมาอยู่เมาในชีวิตเพราะว่าตัวเองไม่เคยป่วยมาก่อนบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็รู้สึกมันยังกับปรี้กระเปล่าอยู่นะยังยังไม่ตายง่ายหรอก มันเป็นอย่างนี้กันหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็ยังเป็นกันเพราะฉะนั้นแม้แต่หกสิบแล้วเขาปลดเกษียณแล้วยังยังอยากต่ออายุเลยยังอยากต่ออายุจะจะทำงานต่อนี่เป็นอย่างนี้เพร่อผู้จะเจ้าเรียกว่าคนพวกนี้เมาซะแล้วเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความไม่มีโรคเมาในชีวิตอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังเห็นน่น แหวนเต็มมือเต็มนิ้วเจ้าวอวดนิ้วเหียวๆกันก็เออก็ไปได้เหมือนกันเมาในชีวิตเอามันเป็นของมันอย่างนี้ทีนี้นี่ขนาดเอายังไม่ได้กินเหล้านะมันยังเป็นอย่างงี้เลยถ้ากินเหล้าเข้าไปเมื่อไรแล้วก็อีกไหลายๆเมามันก็จะตาม ม, ามันอารวาเต็มที่เจ้าก็เลยต้องห้ามกัน ก, ก่อนที่จะข้ามไปถึงหัวข้อทำก็มาดูคำแปลและความหมายกันก่อนนะทุกครั้งในการฟังเลคเชอร์ของเรานี่ในการฟังเทศของเรานี่เราไล่กันตามหัวข้อเพราะฉะนั้นงวดนี้ตามหัวข้ออีกเหมือนกันในมงคลที่ยี่สิบเนี่ยเราตั้งชื่อไว้ในภาษาไทยว่าสํารวมจากการดื่มน้าเมาถ้าในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าออมัชปานา จะสัญมัชฌปานาจะสัญญมงคำว่ามัชะเผื่อว่าจะไปเจอที่อื่นนะคำว่ามัชะเนี่ยถ้าแปลโดยรูปศัพท์แล้วแปลว่าของเมาโดยทั่วไปแล้วล่ะก็มันหมายถึงเหล้าแต่ในกรณีนี้มันหมายถึงของเมาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นแห้งละพูดง่ายๆ ยาเสพติดทุกชนิดนี้เองอันที่สองปานะคําว่าปานะเแปลว่าดื่มอย่างที่ตอนใบบ่า ย, ายแล้วก็เมีน้ําปานะมาถวายพระเช่นน้ําพึ่งน้ําอ้อยอะไรทํานองนี้ปานะแปลว่าของดื่มที่นี้าปานะแปลว่าดื่มทีนี้ในมงคล น, นี้เนี่ยปานะเนี่ยมันหมายถึงสิ่งอะไรก็าตามที่ทําให้มัน ซาบซ่านเข้าไปในตัวได้แล้วก็เราถือว่าเป็นปานะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มันไม่จำเป็นจะต้องดื่มอย่างเดียวแล้วจะทั้งทั้งดมทั้งสูดทั้งอบทั้งทั้งอบก็ได้ทั้งอัดก็ได้ทั้งนัดก็ได้ทั้งฉีดก็ได้แล้วแต่ล ะ, ะอะไรที่ทำให้มันซาบซ่านเข้ามาในตัวได้แล้วเออนี่ในในกรณีนี้ปานะ และอันที่สามสัญญโมหรือสัญญมะแปลว่าสำรวมระมัดระวังตกลงโดยคาโดยความหมายแล้วก็ในมงคลข้อนี้เนี่ยมันหมายถึงการสำรวมจากยาเสพติดให้โทษทั้งหลายเลยทีนี้ก็เลยมาต้องมาแปลซ้ำเข้าไปอีกคำว่าสำรวมเนี่ยมีความหมายแค่ไหนคำว่าสำรวมเนี่ย เรามักจะแปลกันว่ารามัดระวังคือกินได้ดื่มได้ใช้ได้แต่ต้องระวังนะนี่โดยทั่วทั่วไปเราเรามักจะแปลอย่างนี้แ ต, แต่ว่าระวังแต่ว่าในกรณีนี้สํารวมในกรณีนี้ไม่ใช่ระวังใช่ะคนะือคำว่าระวังแล้วก็ใช้มันได้แต่ว่าใช้ด้วยความระวังแต่ว่าในมงคลข้อ น, นี้แล้วเท่าที่ เช็คดูตามรูปศับต่างๆแล้วสํารวมในที่นี้อยากจะแปลว่าเว้นขาดซะมากกว่าเพราะฉะนั้นมงคล น, นี้จึงเป็นเรื่องของการเว้นขาดจากพวกยาเสพติดทั้งหลายนั่นเองยาเสพติดให้โทษทั้งหลายแต่ยังไงก็ตามออในบางกรณีเนี่ย เ, ออเราอาจจะต้องมาใช้ในสิ่งเหล่านี้บ้างเหมือนกันคือในพุทธศาสนาเนี่ยนะ เปิจใจกว้างกว่าศาสนาอื่นๆ อ, อ, อีกลายศาสนาบางศาสนานี่เห็นโทษของเหล้าเห็นโทษของแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นนอกจากห้ามกินแล้วเอามาทาแผลเขายังไม่ให้เลยเขาบอกว่านี่ไม่ได้อันนี้เป็นของบาปจับต้องก็ไม่ได้คนตายแล้วจะเอาแอลกอฮอล์เอ่อมาเช็ดมาล้างศพเขายังไม่ให้เลยเขาบอกว่าเป็นของบาปในบางศาสนาว่าไปใช่อย่างนั้น แต่ในพุทธศาสนาแล้วก็ว่าที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็มองเห็นว่าเอออย่างพวกเหล้าและพวกยาเสพติดบางอย่างเนี่ยไอของบางอย่างเนี่ยมันมีคุณอ น, นันต์แต่มันก็มีโทษมหาหันเพราะฉะนั้นก็ไอบางอย่างแม้นรู้ว่ามันมีโทษมากอย่างเหล้าอย่างเนี้ยแอลกอฮอลอย่างเนี้ยแต่ว่าคุณมันก็เยอะเพราะฉะนั้นในบางกรณี พระองค์ก็อนุญาตให้ใช้เหมือนกันในกรณีที่เอ่อเอามันมาเป็นยาอย่างยาบางอย่างจะต้องใช้แอลกอฮอลสกัดเพื่อเอาตัวยาของมันออกมามาใช้รักษาโรคพระพุทธเจ้าก็ยอมอย่างที่เราพูดกันว่าเออเอายามาเป็นกระใสเหล้าเอาเออเอาเหล้ามาเป็นกระใสยานะคือเอามาสกัดยาออกมาแล้วจะได้ใช้ แต่ว่ายกเว้นสําหรับคนบางคนนะอยากจะกินเหล้าแต่หาข้ออ้า ง, งก็เอาเหล้ามาขวดเอายาใส่ในชอ้อนหนึ่งไ อ, อย่างงั้นมันไม่ใช่เอาเหล้ามาเป็นกระใสา ย, ยาทะแล้วมันเอายามาเป็นกระสายเหล้านะมันกลับตลับปัดกันเสียที่นี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเหล้าออบางครั้งมีประโยชน์อย่างที่ว่ามา กินน่ะเมาแต่ว่าเอามาใช้เช็ดแผละน่ะทำความสะอาดมันดีทุกที่เจ้าให้ใช้เออพวกฟินพวกกัญชาเราก็รู้อยู่สูบแล้วก็มึนก็เมาไอไอเจ้ากัญชาเมาแล้วก็อารมณ์ดีหละฮึฮึฮึฮึเออเจ้าเจ้าฟินใช้แล้วก็สุขสายญาติได้นอน ไ, ได้ทั้งวันเชอะแต่ว่า แต่ น, นั่นเป็นเรื่องโทษของมันแต่ว่าในบางกรณีทั้งฟินทั้งกัญชาอาจจะเอามาใช้เป็นยารักษาโรคก็ก็ได้หลายอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาการห้ามสิ่งพวกนี้ก็ไม่ใช่ห้ามขาดสถทีเดียวคือในกรณีที่เอามาใช้ในรูปของยาได้พระพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามแต่ว่า ถ้ามาใช้เพื่อการเสพติดแล้วก็อันนั้นห้ามกันเด็ดขาดวยดเหตุนี้แหล ะ, ะคำว่าแทนที่จะเว้นขาดจากการดื่มน้าเมาหรือเว้นขาดจากพวกของเมาต่างๆจึงมาใช้คำว่าสํารวมจากการดื่มน้ำเมาสํารวมจากการเสพยาเสพติดคือในบางกรณีให้เว้นในกรณีที่เอามาใช้เป็นเภสัชงั้นอนุญาตได้ก็ มันขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของเราละว่าท่านเราใจน่ะใจมันผ่องใสแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ใช่เป็นคนดื้อๆรัน ร, น, รนตะแคงตะแคงแล้วก็ก็จะวินิจฉัยออกได้เองนะว่าในกรณีไหนมั่งไอายาเหล่านี้เอามาใช้ได้กรณีไหนไม่ควรจะเอามาใช้ทำใจใสแล้วเราก็จะรู้เองแล้วใจจะทำยังไง ใ, ใสเราพูดกันมาเยอะแล้ว ที่นี้ตกลงเป็นอันว่าในมงคลที่ยี่สิบนี้เป็นเรื่องของการว่าเราจะสํารวมสํารวมคือทั้งทั้งระวังด้วยในกรณีที่เอามาใช้เป็นเภสัตว์คือใช้เป็นยาแล้วเราก็จะเว้นขาดด้วยในกรณีที่มันจะทําให้เศษติดไทโทษมีมงคลขอ้อนี้ที่นี้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของสุราเนี่ย เราได้ผ่านมงคลต่า ง, างๆมามากแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดมากละโดยย่อแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโทษของสุราชนิดที่ทันตาเห็นในชาติเนี้ยไม่ต้องไปล้อกันชาติหน้าแล้วก็มีอยู่หกสถาน้วยกัน